วันเดย์ 9 ปีที่ผ่านมาให้ได้มันเกิด 2, ญญ า, 2 20 จังหวัด 95 สถานี อีสานม้วน On me your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 ได้ร่วมกับจังหวัดทั้ง 20 จังหวัดภาคสวรรค์ออกเฉียงเหนือหน่วยงานทหารประชาสัมพันธ์สหารเรือ 1 เขต 2 บริษัทอสจำกัดมหาชนตำรวจและตำรวจๆ ในรวม 100 สถานี คืนความสุขให้แผ่นดินใช้เวลา 25 นาทีช่วง 8 ตั้งแต่ 8:00 น. ถึงเวลา 8:30 น. ถ้าๆก็ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อปรับปรุงรายการ และให้กำลังใจเจ้าหน้า และคืนความสุขให้ประชาชนคืนความสุขให้ประชาชนทุกพวกทุก ถึงรัฐบาลอันเป็นที่รักหิ่งของเราต่อไปเราจะวางรากฐานให้ แต่ได้มีความสุขอย่างยั่งยืนเพื่อ 2558ณสโมสร วิภาวดีวัน 24 มิถุนายน 2557 ขอคืนความสุข FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเสนอรายการเสนอคืนความสุข ไผ่พันดินสวัสดีทาง FM MHz นะ เราเป็นแม่ข่ายให้กับทางกองทัพพระที่ 2 นะครับอ่าทั้งอสมทสทอนะฮะแล้วก็สถานีวิทยุ การดําเนินการของทางด้าน คสช. 9 มิถุนายนนะฮะ ดำเนินการอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตาม ผู้อารัสกันวัดบึงการนะ 4 ตุลาคม 2557 นําท่านผู้ อ่าสมาชิกในพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้องค์ สถานการณ์ในภาพรวมในพื้นที่รับผิดชอบก็คือ อาจจะมีความนิยมชมชอบในนโยบายของ<ใช> ไม่ว่าจะเป็นท่าน สส. ท่าน สว. ผู้บริหารองค์กรปกครอง ได้รับผลมงคลดีครับไม่มีปัญหาอุปสรรค 8 อําเภอจํานวน 53 ตําบล 6 เทศบาล รวมแล้วก็มีทั้งหมด 59 ชุดนะครับชุดละ 8 คนรวมทั้งสิ้นก็ 472 คนเพื่อไปปฏิบัติงานในหน้าที่ 59 พื้นที่นะครับที่นะ ให้กับ 10 มิถุนายน 2511 ที่ผ่านมานะครับที่ทั้ง 8 อําเภอ<ใช> 615 หมู่บ้านนะครับ เสร็จ 10 12 คนมีมวลในทุกหมู่บ้านทุกชุมชนมา 7,000 คน 16 ถึง 26 มิถุนายนที่ หลังจากนั้นที่ 59 ท่าน เนี่ยหาหาปัญหานะครับรับอุปสรรคใน เอาผลที่เราทำมาทั้ง 59 เวทีเนี่ยนะเอ 8 กรกฎาคม 2517 ที่ที่ 8.8 เวที 1,700 คนนะครับ 11 กรกฎาคมซึ่ง ก็ 290 คนณหอวชิรเมเรียนบึงกางค่ะในการจัดกิจกรรม ให้สุรศักดิ์มนตรีที่อุดรธานีเนี่ยก็จะมีชุดแพทย์เสนารักษ์นะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือจะมี 11 กรกฎาคมที่ที่ 11 กรกฎาคมนี้ อยู่ที่เอ่อระดับจังหวัดกันนะครับท่าน ราคาราคาข้าวนะครับครับแต่ 17 มิถุนายนที่ผ่าน 2515 นะครับถึง 2557 เรามี ประมาณ 5,879 รายครับ 53 ล้านบาทบาทซึ่งประมาณ 43,000 ครัวก็ประมาณนะครับก็ประมาณ 35,000 62,000 แปลงครับและ 45,000 นะ 45, 62, 2 เนี่ยครับ 42,000 แปลง 1,200 อีก 400 แปลงครับ 400 แปลงจาก<อ> 400 11 จาก 1,200 ล้านได้ไปละ 1,200 หรือ 11 ล้าน 11 ล้านๆท่านนะ ทางจังหวัดมีการ 14 มิถุนายนเนี่ยจังหวัดบุญการนะ 3 กระบอก 50 นัดและ ถึงจำนวนจํานวน 137 คันค่ะ 17 คันรวม 22 แผ่นนะครับมี 270 นายนะ 18 ถึง 24 มิถุนายนเนี่ยมีครับ วันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมานี่นะครับมีการสนธิกําลังตรวจ เรื่องในวันต่อต้านยาเสพติดที่ผ่าน อันครับของ คสช. ครับในเดือน 6 มิถุนายนนะครับทหารฝ่ายปกครอง 240 แท่งนะครับที่<ใช> จับกลุ่มเอเย่นต์รับ <ม. S 1> 4 คนพร้อมรถคน 8 คันครับ 10 พฤศจิกายนนะครับก็มีการสนธิ วันที่ 16 ที่มิถุนายน 1,000 เม็ดนะ 17 มิถุนายนนี่ก็มีการจับกุม 100,000 บาทค่ะ 1 คน 23 มิถุนายนเนี่ยนะครับถึง 10,000 3 แล้วก็โลกเนี่ยครับทั้งจังหวัดได้มีซึ่งเป็นของกลางให้โลกเนี่ยเป็นกัญชาจํานวน 11,000 เอ่อ 11 ตันนะครับแล้ว 200 แท่งนะครับครับที่บริเวณ อำเภอเมือง 7 ตําบลเมืองการอำเภอเมืองอำเภอเมืองการ การข้ามไม้พยุงนี่ 1 มิถุนายนเนี่ยมี 29 ตันนะครับก็ปริมาตรก็ประมาณ วันที่ 3 มิถุนายนนะครับ 79 ท่อนปริมาตร 1 ประมาณ 345 ลูกบาศก์เมตรนะครับที่ท่าเรือริมน้ํา 7 มิถุนายนนี้จับผู้ต้องท่อนนะครับที่ 8 มิถุนายนนะครับ 2 คนใบ 10 ท่อนครับนะครับเรียน นะครับ 14 มิถุนายนยึดรถได้ E 0097 ครับนะครับแล้วของท่อน 20 มิถุนายนนะ 1 คนแมปยุง 66 ท่อนนะครับยาว 1 กระบอกถะ 2 กระบอกเอ่อคือ 21 มิถุนายน 2 79 ท่อน นะครับบริเวณบ้านชัยพงษ์เหมือนกันนะครับซึ่งก็ติด ก็เรียนว่า 56 สถานีครับเรายุติการการออกอากาศทั้งเร 66 เรื่อง เพื่อขอ 22 สถานีนะครับ 22 สถานีขณะนี้เราก็ดําเนินการไปตาม 56 สถานี เรามีสถานี สวท. ครับแล้วก็หอกระจายข่าวเคเบิลทีวี เพื่อให้สื่อมวล สร้างสังคม FM 90.25 เมกะเฮิรตสวทนครพหลุสะดาโครมอุดรเสวาง